ความเป็นผู้มีธรรมเป็นใหญ่ก็เพราะมีปัญญามีโลกเป็นใหญ่ก็เพราะมีกรุณาความที่พระองค์เนี่ยมีธรรมะธรรมะคือกุศลธรรมเนี่ยนะถือเอากุศลธรรมเป็นใหญ่ถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เมื่อถือเอากุศลเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่นี่อาศัยอะไรจึงเลือกเฟ้นเอาแต่กุศลได้อะเพราะอะไรเพราะมีปัญญาเพราะมีปัญญาจึงเลือกเอาแต่กุศลธรรมนี้เป็นใหญ่เท่านั้นอย่างเช่นถ้าเป็น ทั่วไปถ้าเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิก็ถืออะไรถือกุศลกรรมบทเป็นใหญ่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าถืออะไรเป็นใหญ่ถือโลกุตระธรรมเป็นใหญ่เนี่ยนะเพราะมีปัญญาเพราะมีปัญญาเนี่ยจึงถือเอาแต่กุศลธรรมโดยส่วนเดียวเป็นใหญ่ก็เพราะมีใจกรุณานี่แหละจึงถือเอาโลกเป็นใหญ่ถือเอาโลกเป็นใหญ่ก็คือฟังหมายคำว่าเห็นใจประชาชนนะนะถือเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ได้เกรงกลัวเขานะโอ้เกรงกลัวชาวโลกบอกไม่ แต่เหมือนกับว่าได้ได้ยินเสียงคร่าครวญของคนที่ประสบทุกข์นะร้องครวญอยู่นั่นแหละทั้นก็เลยเรียกมีโลกเป็นใหญ่มีโลกเป็นใหญ่ก็คือไม่ได้เรียกว่าโอ้โหกลัวเขาตัวงอไปหามันไม่ใช่แต่หมายเขาว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรเนี่ยนะท่านมีปัญญาท่านเจรงรู้อุปการะคุณของท่านแล้วความที่ท่านคือความที่ท่านเป็นคนที่มีกตันยูเนี่ยนะกะตัญยูกับ ก, ะกะตะเวที ท่านมีกระตัญอยู่ก็เพราะท่านมีปัญญาท่านทําอุปการะตอบกะตะเวทีมีการกระทําตอบก็เพราะมีใจกรุณาอย่างเช่นสมมุติว่าเรารู้พระคุณของพ่อแม่ที่ทําต่อเราโดยประการทั้งปวงว่าท่านทําด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความทุกข์ด้วยความยากด้วยความลําบากกี่ปีปีแล้วปีเล่าทําตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวมาจนถึงวัยชาราเนี่ยนะก็เพื่อใครก็เพื่อเราเสร็จแล้วถามว่า เอาบัตรนี้ท่านแก่ชาราแล้วใครจะดูแลท่านเพราะฉนั <S <S ้นก็เลยเรียกว่ารู้อุปการะเขาเรียกว่าตอบแทนอุปการะที่ท่านได้ทําไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะท่านแก่เฒ่าแล้วถ้าเราไม่ดูแลท่านแล้วใครจะดูแลถ้าเราไม่สนใจท่านแล้วใครจะสนใจขนาดลูกยังไม่สนใจแล้วใครจะสนใจพ้นพ้นถือว่าชีวิตของพ่อแม่ก็เหมือนกับว่าคนที่รู้สึกจะอุ่นใจได้บ้างก็คือลูกพ้นกำลังของพ่อแม่ทั้งหลายก็คือลูกนั่นเองเพราะกรุณานี่แหละทาให้ตอบแทนอุปการะ สรว่ามีปัญญาจึงรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทำแก่ตนมีการุณาจึงตอบแทนพระคุณเขาเนี่ยนะตอบแทนเขาที่ตอบแทนคุณได้ก็เพราะมีใจกรุณาอย่างที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยถ้าเราไม่ตอบแทนเขาแล้วใครจะตอบแทนเนี่ยนะนะปราศจากโมหะก็ด้วยด้วยปัญญาปราศจากตัณหาด้วยการุณา ความที่ตัวเองเนี่ยนะมีปัญญาอย่างเต็มที่จึงไม่งู่เนี่ยนะจึงไม่เขลาจึงยังรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้ก็ไม่ยึดติดเพราะเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นความทุกข์เกินไปที่จะไปยินดีไปติดข้องในอะไรเนี่ยน ะ, ะ, ะนนจึงปราศจากโมหะด้วยปัญญาปราศจากตัณหาด้วยกรุณาคือเห็นความทุกข์บางทีเนี่ยนะสมมติอย่างที่เรียกว่าพอที่จะเอาเปรียบได้บางอย่างแต่ก็ไม่เอาเปรียบ สมมติไอ้ตันหามันก็คือความคิดเอาเปรียบเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าเอาไม่ได้หรอกเพราะการุณาต่อเขาถ้าเขาเสียตรงนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาคือเห็นว่าถ้าเขาสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเนี่ยนะเขาจะเสียใจขนาดไหนเขามีใจกรุณาสงสารเกินกว่าที่ตันหาตัวเองจะเกิดได้เพราะงั้นอ่าเรียกว่ากรุณาเกินกว่าที่จะทําอะไรอะไรด้วยอํานาจของตันหาเนี่ยนะ มันไม่โง่เพราะมีปัญญาไม่เอ่อไม่โลภก็เพราะมีกรุณาเนี่ยนะมันถ้าอย่างของที่มาน่าโลภโดยมากเป็นของดีใช่ไหมสมมติถ้าเราบอกเอออันนี้ของอันนี้เราเอาได้นะแต่ถ้าเอาแล้วเขาจะเสียใจขนาดไหนก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยนะด้วยกรุณาต่อไปความสําเร็จแห่งวิชาวิชาสามเช่นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้กรรมรู้ผลของกรรมเนี่ยนะรู้อริยสัจก็เพราะอันุภาพของปัญญา ปัญญานี่แหละเป็นตัวเป็นปัจจัยให้เกิดวิชาถ้าไม่มีปัญญาสำเร็จวิชาสมวิชา8ไม่ได้เพราะมีกรุณานั่นแหละพระองค์จึงมีศีลนะนะมีอินทร์สังวรมีโภชเนมตันยุตามีชาคริยานุโยกมีสัทธามีฮิริมีโอตตะมีสุตมีมีวิริยะมีสติมีปัญญามีปฐมฌานเป็นต้นก็เพราะมีกรุณาฉะนั้นสำเร็จวิชาได้ก็เพราะปัญญาสำเร็จ เจรณะได้ก็เพราะการุณาทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานเนี่ยเกิดจากปัญญาเพราะพระองค์มีปัญญานี่แหละพระองค์จึงสําเร็จทศพลยานเวสารัชยานยานที่ทําให้พระองค์แก้วกล้าก็เพราะการุณาสรุปว่าปัญญาและกรุณานี่แหละเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายจริงๆอ่ะตัวผลักดันที่ที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า คือคุณธรรมสองประการคือการุณากับปัญญาคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชุดใหญ่ๆเนี่ยนะตรงเนี้ยผ่านมาแล้วก็คือหนึ่งชุดที่หนึ่งก็คืออภินิหารอภินิหารที่เกิดจากการประชมธรรมะอันประกอบด้วยองค์8ทํทำให้สร้างบารมีอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองก็คือปัญญากับการุณานี่แหละเป็นเหตุให้สร้างบารมี เพราะเป็นอุบายโดยพิเศษแห่งผลของบารมีทั้งปวงวะนะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาไม่สำนวนว่าไม่มีวิธีการเนี่ยทำบุญไม่สําเร็จหรอกเนี่ยนะไอ้ทานก็ไม่สําเร็จรักษาศีลก็ไม่สําเร็จน่ยนะถ้าทานธรรมดาให้ข้าวเป็นทานเนี่ยหรือว่าเขาใช้ให้ไปตักน้ําให้แก้วหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องฉลาดมากนะักแต่ว่าจะให้ทานระดับสูงทานยิ่งยิ่งขึ้นไปทานอย่างต่อเนื่องทานอย่างเรียกว่าผู้รับมีคุณธรรมด้วยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาละยากเนี่ย เพนทั้งสองทั้งสองนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีเป็นปัจจัยแห่งปณิธานดุดบารมีทั้งหลายเนี่ยนะต่อไปอีกอราบอกว่ายังมีพุทธภูมิอีก4เนี่ยนะพุทธภูมิสนี้เป็นปัจจัยแห่งบารมีพุทธภูมิเป็นปัจจัยแห่งบารมีคืออะไรพุทธภูมิมีสประการหนึ่งอุตสาหะคืออุตสาหะสอง ปัญญาเรียกว่าอุห ม, มังคะ3อวัตานะความมั่นคงแล้วก็สีหิตจริยาการประพฤติเป็นประโยชน์4ประการนี้เรียกว่าพุทธภูมิ4เนี่ยนะพุทธภูมิ4คืออุตสาหะปัญญามั่นคงแล้วก็การประพฤติประโยชน์พุทธภูมิ4เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีถ้าไม่มีพุทธภูมิ4 ส, สร้างบารมีไม่สําเร็จหรอก4ประการมีอะไรบ้างนะหนความเพียรที่เรียกว่าอุตสาหะเนี่ยนะ มายควาว่าเป็นความเพียรและความอดกลั้นอย่างยิ่งภาคเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนอย่างสูงส่งจึงปฏิบัติในโพธิญาณจึงสําเร็จเนี่ยนะเพราะอุตสาหานั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีแล้วอุตสาหานี้ท่านเรียกว่าเป็นพุทธ ภ, ภูมิเพราะเป็นฐานะแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความภาคเพียรพยายามเนี่ยนะความเป็นพระพุทธเจ้ามีไม่ได้อย่างที่เคยได้ยินบ่อยว่า ที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีคุณธรรมสองประการเป็นหลักหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรอันนี้ยกตัวอย่างว่าความเพียร น, นี่แหละเป็นฐานะคือเป็นเหตุแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความเพียรจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดในโลกไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่สองอันนข้อแรกนะอุตสาหะความภาคเพียรพยายามแล้วก็ท่า กล้าที่ไหนอดทนอยู่ที่นั่นถ้าอดทนที่ไหนแสดงว่ามีความกล้าอยู่ที่นั่นท่านอุสาหานั้นเน้นความเพียรด้วยความอดกลั้นอดทนอย่างแท้จริง 2. ปัญญาปัญญานี้หมายถึงความฉลาดในอุบายในโพที่สมผานเรียกว่ารู้วิธีรู้วิธีสร้างบารมีทั้ง10นะรู้วิธีให้ทานรู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีเจริเนฆามะรู้วิธีเจริ ญ, รรญปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐาน รู้วิธีเจริญเมตตารู้วิธีเจริญอุเบกขาเนี่ยนะเป็นคนที่ฉลาดไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านเป็นอกุศลได้นะฉลาดจนเรียกว่าไม่มีอะไรทําให้เป็นอกุศลได้มันฉลาดที่จะสร้างบารมีสิบแล้วไม่มีเหตุอะไรทําให้เป็นอกุศลนี่เ้าเรียกอุมมังคะมีปัญญาอันนี้เ็าเป็นเหตุ ท, ที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคุณธรรมอันนี้เนี่ยนะจะแก้อกุศลได้ยังไงฮะ อากุศลนี่เวลาเกิดนี่มันถือว่านเรื่องใหญ่มากเลยนะอะไรจะในโลกนี้มันจะหนักเท่ากับอากุศลไม่มีแล้วสิ่งที่เกิดจากความไม่ฉลาดเนี่ยนะมันร้ายแรงที่สุดอากุศลนี่แปลว่าสิ่งที่เกิดจากความไม่ฉลาดอะไรก็ตามที่มันทำอะไรก็ตามที่มันเกิดจากความไม่ฉลาดนะอันนั้นแก้ยากที่สุดเช่นสมมติว่าหน้าเมาแล้วเดินไปตกเหวอย่างไงนะแขนหักขาพิการเสียหายมาหลายส่วนเนี่ยถามว่าแก้ง่ายไหม ถามว่าประสบอุบัติเหตุทางความคิดเนี่ยนะแก้ง่ายไหมคิดไปคิดมาคิดจนไม่สบายใจเสร็จแล้วแก้ไงอ่อไม่ใช่จะแก้ง่ายๆเนี่ยนะหรือทําไปทํามาทําจนลำบากใจเนี่ยนะถามว่าแก้ง่ายไหมบอกแก้ยากเพรา ะ, ะนั้นจะต้องมีความฉลาดในอุบายจึงจะสามารถแก้อกุศลได้นั่นเรียกว่าอุมมังคะอุมมังคะแก้สามารถที่ถอนตัวออกจากอากคุศลได้แล้วก็พอกพูนพัฒนาเพิ่มพูนกุศลอย่งยิ่งขึ้นไป อย่างที่สาอวัตถานะแปลว่าความตั้งใจมั่นเพราะตั้งใจแบบชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวคืออย่าพูดให้ท่านเปลี่ยนใจเลยไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะเรียกว่าอาวัตถานะแล้วว่าไม่มีคําว่าเปลี่ยนใจเนยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกว่าเปลี่ยนใจเธอะพอแล้วเนี่ยนะยากเนี่ยนะเขาเรียกว่าอาวัตถานะไม่มีการเปลี่ยนใจในการสร้างบารมีเพื่อความเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนอื่นจะดึงไปเรื่องอื่นไปไม่ได้เนี่ยนะถึงไปยังไงก็ต้องกลับมาสร้างบารมีต่อไปอาจจะแวะนอกทางได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไงเส้นทางใหญ่ที่วางไว้ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแหละอาจจะแวะนิดหน่อยก็แวะดื่มน้าไงถ้าเป็นแบบอะไรนะเดินทางไกลเป็นล้านล้านโยชน์เนี่ยนะถามว่าอาจจะแวะปั๊มบ้างนิดนิดหน่อยๆแค่นั้นแหละแต่ว่าหรือแวะแบบข้างทางพักแข้งพักขาบ้างแต่ว่าแหมสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เหรอบอกโ no, นะมันไม่เอาแล้วไปต่อแล้วมั้น คือจิตใจนั้นไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็หิตะจริยาเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่ที่ทำให้ให้เป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จคือเมตตาภาวนาและกรุณาภาวนาเมตตาภาวนาก็คือมีความคิดที่น้อมนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่ว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรมองเห็นประโยชน์ของคนอื่น แล้วมีจิตใจน้อมประโยชน์ไปให้แก่ผู้อื่นอยู่เป็นปกติเป็นอัธยาศัยหรือจำเริญความคิดเจริญเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นว่าน้อมประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์อื่นเนี่ยนะน้อมประโยชน์พนั้นการเจริญเมตตาก็คือการน้อมนำประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทไสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทำไฉประโยชน์เหล่านั้นจะสาเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นเมตตาภาวนา อย่างต่อไปคือเรียกว่ากรุณากรุณาก็คือบอกว่าเห็นแล้วความทุกข์ว่าจะเปลื้องเปลื้องความทุกข์ให้แก่เขาได้อย่างไรเขาจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเขาจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรปัญจัยก็มีทฤษฎว่าพ้นทุกข์ได้อย่างไรพ้นทุกข์ประสบสุขได้อย่างไรพ้นทุกข์ประสบสุขได้อย่างไรนั่นแหละเรียกว่าเมตตากับกรุณาเมตตาคือมุ่งให้เขาประสบสุขกรุณาก็คือมุ่งให้เขาพ้นจากทุกข์อันนี้เรียกว่าหิตัจริยา กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอนะันหิตะจริยาพันสี่ประการเรียกว่าพุทธภูมิสี่พุทธภูมิทั้ง4นี่แหละเป็นฐานะแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าทัวนในครั้งหนึ่งนะอุตสาหะเพียรในการเจริญกุศลอดทนในการเจริญกุศลสองปัญญา รอบรู้ในวิธีการเจริญกุศล3 –ความเพียรและปัญญาอันนั้นเนี่ยทแบบชนิดที่เรียกว่าไม่วันไหวนะไม่วันไหวไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดเหล่านั้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นั่นเองเนี่ยนะัน้นเรียกว่าใครเนาะจะมีความสุดจริตใจมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือแก่สัสตว์ปสาทั้งหลายเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะมันคิดศึกษาอีกในหนึ่งศึกษาไปศึกษามาก็ดีใจแล้วที่เราได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่หวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความสุขแก่สัตว์ประสทั้งหลายมันเราก็ได้ดีแล้วที่ได้นับถือศาสดาแต่ว่าไอความนับถือของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเราเข้าใจพระองค์ขนาดไหนความรู้ในพระคุณของพระองค์ทําให้ศรัทธาของเราตั้งมั่นใน พระองค์พันเราจะกราบเราจะไหว้เราจะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่เบื่อไม่นายไม่ขี้เกียจเนยนะบางคนเนี่ยชวยพุทธคุณวันไม่รู้กี่สิบรอบเพราะอะไรเพราะเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าชื่นชมยินดีอ่านะอยู่นั่นแหละมีความสุขกับการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะบรรดาว่าเหมือนว่าถ้าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเสียใจขนาดไหนเนี่ยนะเพราะเหมือนกับว่าเกิดมาในโลกนี้ถามว่า ไม่ได้ใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เลยเนี่ยมันน่าสงสารขนาดไหนอ่ะเกิดมาไม่มีโอกาไสได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะที่เราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวท่านให้ประโยชน์เราฟรีเลยนะมีมีไฟดวงเดียวเท่านั้นแหะที่ไม่ต้องเสียตังค์จ่ายก็คือไฟที่จะเกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะถามว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะแต่ถ้าใช้แสงอย่างอื่นจะเสียตังค์หมด ต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยประการทั้งปวงใช่เลยใช้เท่าไหร่ก็ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นลักษณะนั้นโดยที่เรียกว่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีไม่มีใดๆทั้งนั้นก็เรียกว่ามีแต่ให้ให้อย่างเขาเรียกว่าไราไม่มีกติกาอบางคนบอกว่าฉันจะช่วยเธอนะต่อเมื่อเธอต้องทําให้ฉันหน 3- ่งสองสามพระพุทธเจ้าบอกไม่ไม่มีกติกาขอได้รับประโยชน์ขอให้ เธอทั้งหลายได้รับประโยชน์ขอให้เธอทั้งหลายพ้นทุกข์ชัยได้สําเร็จนะที่เหลือจงไปจรระห์พิคเวจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเนี่ย น, นะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่ย น, นะดีวริณีไล่ให้ไปช่วยคนอื่นต่อไปอีกเนี่ย น, นะไม่ต้องมาคอยอุปถากเราตะทาคตรหรอกไม่ต้องมาคอยดูแลเราหรอกไม่ก็ห่วงเรารอกอย่า ง, ง น, นะนั้นนะไปเถอะนั่นนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยนะบางแห่งในพระองค์บอกว่า อ้าวแล้วเราเรียกให้เธอมานับถือเราหรืออะไรนะเป็นต้ตนเนี่ยไม่มีไม่ต้องการคํานับถือไม่ต้องการพูดแบบภาษาไทยเรว่าไม่ต้องการแม้กระทั่งคําขอบคุณเนี่ยนะแต่เมื่อช่วยผู้อื่นได้สําเร็จดีใจดีใจที่ช่วยผู้อื่นได้สําเร็จดีใจที่ช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นจากทุกข์เมื่อเขาประสบความสําเร็จพ้นจากทุกข์แล้วพระองค์แบบเจริญอุเบกขาทันทีเนี่ยนะเจริญอุเบกขาทันทีไม่เก็บเอาเรื่องของเขามาคิดนะละเนี่ยนะก็ สำนวนว่าทางใครทางมันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเหมือนกันเออพ่อแม่บางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนะียช่วยเหลือพอช่วยเหลือลูกไว้ประสบความสําเร็จแทบไม่เคยพูดถึงลูกอีกเลยก็ไม่รู้จะคิดขเขามันทําไมเขาเขาอยู่ดีมีสุขของเขาเป็นไปของเขาแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วอ่ะพ้นแล้วแต่เขาแล้วว่างอนกันเธอไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วที่เหลือหลังจากนั้นเป็นเรื่องของของเขาจริงๆเนี่ยน ะ, ะลักษณะนั้นแหละเป็นคือคนที่จะมีเมตตามีมกรุณาดํารงอยู่ได้เนี่ยต้องเจริญอุเบกขาเป็น ถ้าเจริญอุเบกขาไม่เป็นเนี่ยนะยากที่จะเจริญเมตตาและกรุณานี่ต่อไปนะยังมีสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่บารมีอีก6เรียกว่าอัธยาศัยหอัธยาศัยหกก็คือเนคข ม, มัธยาศัยวิเวกัตยาศัยอโลพัธยาศัยอะโมหัธยาศัยและนิสรณัธยาศัยพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้เห็นโทษในการและเห็นโทษในการครองเรือนเพราะท่านมีเนคขำมัทธยาใัยจริงๆแล้วบารมีทั้งหลายเนี่ยว่าตรงๆแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยสร้างในมนุษยโลกและเทวโลกคือมนุษย์และเทวดาแต่แต่ข้อแม้ว่าโดยมากจะต้องมาจากพรหมจึงจะมาสร้างบารมีได้เต็มที่โดยมากเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยไปอยู่ในพรหมเนี่ยนาน ไปอยู่ในพรหมเนี่ยขึ้น ข, นขนลงระหว่างมนุษย์กับพรหมโลกนี่บ่อยมากถามว่าทําไมเพราะว่าคนที่มีใจผูกพันกับสิ่งใดเนี่ยนะผูกพันจริงๆแล้วให้ฐานได้ไหมอ่ะไม่ได้ท่านจะต้องแบบเป็นผลที่มีปกติออกเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะ่ะจึงเมื่อลงมาจึงให้ฐานได้อย่างแบบชนิดที่เรียกว่าไม่อาไยอาวรนเพราะมีอัธยาศัยออกคําว่าออกนี่ไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะออกก็อยากจะออกออก อ, อกแล้วออกไปไหน เพราะท่านเนคข ม, มัตยาสัยก็คือมีใจมุ่งไปพรหมโลกนั่นแหละมีใจมุ่งไปหาสมถะสมถะนี้เป็นหนทางเพื่อนําไปสู่พรหมโลก ม, มันเนคขมมะคือนําออกจากกามคําว่าออกจากกามก็หมายถึงออกไปสู่รูปปัจจานและอรูปปัจจานมันก็แปลว่าน้อมไปเพื่อรูปประพบทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเ ห, กกหเห็นโทษของวัตถุกามทั้งหลายเห็นโทษของวัตถุกามเห็นโทษของ กิเลสกรมว่ามันมีความอร่อยน้อยมีความทุกข์มากเนี่ยนะนะแต่ว่าโทษอย่างอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเราเคยเห็นความทุกข์ในโลกนี่ไหม ถ, ถ้าสมมุติว่าเขาได้รับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าทุกข์น้อยหรือทุกข์ชนิดสาหัสก็ตามสาวปหาเถอเกิดจากกรรมทั้งนั้นนะ่ะไม่เกิดจากวัตถุกรรมก็เกิดจากกิเลสกรรมเนี่ยนะนะถ้าไม่มีกิเลสกรรมในวัตถุกรรมวัตถุนั้นก็ไม่เรียกว่าวัตถุการมอีกนั่นแหละก็เพราะกิเลสกรรมนั่นแหละเป็น ปัจใจเนี่ยนะคำว่ากิเลสก็คือเป็นชื่อของตันหาที่เพลิดเพลินในรูปเสียงเป็นรสและโภตพภะก็เลยเห็นโทษในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมก็อัธยาศัยน้อมออกจากวัตถุกรรมด้วยมีอัธยาศัยน้อมออกจากวัตถุกรรมออกจากกิเลสกรรมด้วยกุศลที่เรียกว่าเนคขมมะเนคขมมะตัวนี้เป็นชื่อของสมถะทั้งหลายที่น้อมไปอย่างน้อยก็พรหมโลกะนะน้อมไปเพื่อพรหมโลกก็าถามว่าอย่างสมมติถ้าเราติดเต็มที่เลยเนี่ยนะถามว่าจะออกได้ไหม สมมติว่าคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่มีที่นั่งอื่นเลยเนี่ยนะถามายกเก้าอี้ให้ฐานได้ไหมไม่มีที่นั่งอื่นสำรองเลยนะแล้วก็มีที่นั่งอยู่ที่เดียวด้วยจะยกให้ที่นั่งให้ได้ไหมบอกยากก็เราต้องมีที่มันมั่นกว่านั้นอีกก็คือเช่นอย่างน้อยก็บอกว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไปพรหมโลกได้วัตถุกรรมเนี่ยท่านจึงให้ฐานได้โดยที่ไม่ไม่รู้จะเสียดายไปทําไมเนี่ยนะพราะฉะนั้นไอท้ที่ที่เรียกว่าให้ของน้อยๆได้เนี่ยเพราะท่านมี ของที่มันใหญ่กว่า ย, ยิ่งใหญ่กว่าระดับมหคตะเนื่องจากท่านมีคุณธรรมระดับมหคตะท่านจึงให้ให้อะไรนะพวกปริตตะแบบไม่อะไรเอาวอรี่เอาไปเลยที่ เ, เอาไปเลยเนี่ยนะเพราะมีมหักตะอยู่แล้วเนี่ยนะเออดีมันรกตั้งนานแล้วเอาชั่วเอาไปหน่อยอย่างเงี้ยนะแทบจะมีอัธยาศัยเช่นนั้นด้วยซ้ําไปเนี่ยนะนี่ต่อไปบอกว่าท่านเห็นโทษของการคลุกคลีเรียกว่าปวิเวกัตธยาศัย อัธยาศาัยสังัดวิเวกวิเวกก็คือเห็นโทษของการคลุกคลีเนี่ยนะถ้ามีการเกี่ยวข้องกันก็เกิดการคลุกคลีกันเมื่อมีการคลุกคลีกันและอะไรเกิดขึ้นเอาเมื่อมีการประชุมกันเมื่อไหร่นะสังสรรค์เมื่อไหรนะ่รก็เอาละบาปสารพัดอย่างก็ทะลักเข้ามาแล้วขั้นแรกก็มิจฉาวาจาก่อนนะมิจฉาวาจาชวนกันไล่สุราเมื่อมิจฉาวาจาไล่สุราปานาติบาตอธินนาทานกามีสุมิจฉาจานุ้ยสารพัดบาปประกรรมทั้งหลายก็จะท่วมทะลักเข้ามา มันเห็นโทษของการเกี่ยวข้องน้อยนักเนี่ยนะถ้าเกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวข้องกับคนนี้ประตูบุญอย่างเดียวโดวยมากเกี่ยวข้องกับคนนี้ประตูบาปนะนะจะตามด้วยบาปหนึ่งสองมสี่ห้ากเจ็ดแปดมันมองเห็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเลยนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคนนี้บุญบุญบุญบุญบุญบุน้อยมากเนี่ยนะเว้นแต่ว่าครบคนชื่อแบบชื่อแบบนี้เท่านั้นแหละแต่ถ้าแบบทั่วไปแล้วเมื่อเกี่ยวข้องกันเมื่อใดแล้วก็โอ้ยช่องทางแห่งบาป อย่างน้อยที่สุดจะอยู่ด้วยกันไปก็เดี๋ยวก็เห็นโทษกันและกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้มันเลวอย่างงาั้นมันเลวอย่า ง, งานี้เลวนักทำไมอยู่ด้วยกันตั้งนมนานถึงต้นเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อมีการคลุกคลีกันในที่สุดก็เก็บเอาความเลวของกันและกันมาเล่าให้ฟังนะเขมีโยมคู่หนึ่งนะไม่ใช่แถวนี้หรอกเขามีเล่าว่าโอ้ยว่างๆนะเขาเขมาเล่าความเลวเของอีกฝ่ายให้ฟังเลวอย่างงาั้นเลวอย่า ง, งานี้ไม่ดีอย่างงาั้นไม่ดีอย่า ง, งานี้เอา้าเขาเห็นอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเลยเนี่ย คุยไปคุยมาแล้วก็แนะนําให้นะไม่ฟังเลยเนี่เลิกเลยเขาเลิกปรึกษาละก็ขอคลุกคลีต่อไปกันแล้วกันว่างั้นเออย่าบ่นกันแล้วกันเพราะว่าการคลุกคลีเนี่ยมันนามาซึ่งสารพัดปัญหาเนี่ยนะเนือต่อไปเห็นโทษในโลภะจึงมีอัธยาศัยเรียกว่าอะโลภัธยาสัยเนี่ยนะแปลว่าอัธยาศัยในการกําจัดความโลภเพราะเห็นโทษของความโลภอะโลภัธยาสัยคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อกําจัด ความโลภเพราะว่าความโลภทั้งหลายเนี่ยนะมันอะไรนะตัณหาตาบอดนะมันทำให้เมื่อตาบอดและอะไรจะเกิดขึ้นเดินไปตกเหวชาติชรามรณะไม่มีสิ้นสุดเนี่ยนะก็เลยเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธก็เลยมีอัธยาศัยที่เรียกว่าอัทโทสัธยาศัยว่าความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายให้เจ้าของ ข, องขนาดไห น, นนะเหมือนกับว่าถ้าไฟเข้าเข้าคลังแสงเมื่ อ, อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าไฟเข้าคลังแสงเมื่อไหรเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นระเบิดก็ประทุไม่รู้เท่าไหรนะนะกระหวะหรือไม่ถ้าไฟเข้าบ่อน้ํามันเมื่อไรเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะเสียดายอริยทรัพย์ว่า ง, งั้นเมื่อไฟเข้าใจเมื่อไรศรัทธาเหลือไหมศรัทธาเป็นต้นเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยนะเผาผลาญสักเลี้ยงเมื่อเห็นโทษของโทสะก็เลยมีอัโทสัตทายาใสมีอัทยาศัยน้อมไปเพื่อกําจัดโทสะเพราะว่าโทสะนี้ไม่เคยสร้างคุณให้เลย นนมีแต่สร้างความทุกข์ให้แก่เนี่ยนะเหมือนกับไฟไฟให้มันไหม้ไหม้ห้องนอนเลยนะสร้างประโยชน์ให้เจ้าของบ้านไหมฉันนั้นนั่นแหละโทสะเมื่อมันเกิดขึ้นก็มีแต่ทำลายเจ้าตัวฉันนั้นก็เลยมีอัธยาศัยมุ่งกาจัดความโกรธเห็นโทษของความโง่เนี่ยนะเห็นโทษของโมหะก็เลยมีอัธยาศัยมุ่งไปเพื่อกาจัด ความโลภมันถ้าไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้อะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมไม่รู้เหตุแห่งความเจริญไม่รู้เหตุ Nexus แห่งความเสมื่อมเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนเขาบอกว่าความโลภนี่ก็นับว่าเสียหายแล้วเนี่ยนะโกรธเสียหายกว่าโง่เสียหายที่สุดไม่มีอะไรจะเสียหายเท่ากับความโง่อีกแล้วในโลกนี้ถ้าไม่รู้สักอย่างเดียวเนี่ยปิดสนิทใจเลยนะสมมติถ้าเกิดมาในสมัยพุทธกาลแต่ไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้า แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยว่ามีพระพุทธเจ้าเขาบองั้นเขาบอกว่าโง่เนิ่หน้ากลัวแต่ว่าอนุรักษ์นิยมหน้ากลัวกว่าอนุรักษ์ความโง่นะรักษาความโง่เนี่ยนะเขาบอกว่าความโง่ก็น่ากลัวแต่ว่าไอความโง่ถึงขนาดว่าปกปิดตัวเองให้มันโง่ต่อไปได้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะมีคนบางคนเนี่ยบอกไอความไม่รู้เนี่ยนะหน่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมไอไม่อยากรู้น่ากลัวกว่าไม่รู้คําสอนนี่ก็ถือว่าเสียหายอยู่แล้ว แต่ว่าไม่อยากรู้คําสอนโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเสียหายมากกว่าท่านฟังทำไม่ได้ไม่อยากจะฟังไม่ยินดีในการฟังไม่ชอบฟังเมื่อไร่จะจบเมื่อไหร่จะสิ้นเมื่อไหรจะหมดเนี่ยนะไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงไม่ต้องการรับรู้เขบอกว่าไอ้ป่วยนี่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ป่วยชนิดที่เราว่าไม่ต้องการการรักษานี่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าไม่ต้องการรักษาโดยประการทั้งปวงเหมือนกันท่านสรุปว่าความโลภนี่ก็น่ากลัวแต่โกรธน่ากลัวกว่าโมหะโมโงน่ากลัวที่สุด แล้วก็โง่ถึงขนาดน่ากลัที่สุดยิ่งกว่านั้นอีกก็คือของโง่ต่อไปว่างั้นนถะปกปิดตัวเองให้ไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการฟังปิดตาปิดหูสำนวนว่ามันมีประตูอยู่สองประตูว่างั้นเถะเราน่ะมีบ้านอยู่สองประตูประตูประตูข้างข้างซ้ายกับข้างขวาเป็นบ้านสองประตูประตูซ้ายกับประตูขวาประตูข้างหนึ่งเนี่ยนะบัณฑิตเข้ามาประตูอีกข้างหนึ่งคนพานเข้ามาก็ลองว่าแค่ว่ามาพร้อมกันเนี่ยดูว่าเราจะเปิดประตูให้ใคร ก็บอกว่าปิดประตูบันดิตบอกว่าปิดป้ายข้างหน้าบ้านว่าไม่ว่างนะบ้านไม่ว่างก็เปิดประตูรับคนผ่านนะกันะเราไม่เชื่อก็ลองอันนั้นจะฟังทำก่อนงานเลี้ยงดูสินะน่ะยากนะาก <c oughs> แล้วก็สุดท้ายก็คือเห็นโทษในวัฏสงสารเรียกว่าทุกขภาวะความทุกขภาวะของสังสารวัตว่าสังสารวัตนั้นมีทุกมีโทษอย่างไรเนี่ยนะผลกําไรของสังสารวัตทั้งหลายสังสารวัตนั้นเป็นอย่างไร ก็คือที่สุดของสังสารวัตทุกภพทุกชาติคือความแก่และความตายที่สุดของวัตตะอยู่ที่ความแก่และความตายก็เลยเห็นโทษว่าอ อ, ออกดีที่สุดเนี่ยนะก็เลยนิสรณัตยาใสาออกมุ่งกําจัดสังสารวัตเรียกว่านิสรณัตยาใสาเนี่ยนะบอกว่าพอกันทีวัตตะว่า ง, งันโบกมืออำลาวัตตะด้วยปัญญาโนะบกปัญญาละอำลาวัตตะเลยบอกไม่เอาแลยวัตตะว่า ง, งันโทษมากเหลือเกินเนี่ยนะ สรุปว่าอัธยาศัยทั้ง6คือเนคขมัธยาศัยวิเวกัตยาศัยอะโลพัธยาศัยอโทสัธยาศัยอโมหัธยาศัยและนิสรณัธยาศัยเนี่ยนะนิสรณัตยาศัยเนี่ยอัธยาศัยเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยแห่งบารมีเพราะปัจจัยเหล่านี้มีกําลังเนี่ยนะคือเนคขมมะเป็นต้นมีกําลังจึงให้ทานได้จึงรักษาศีลเจริญเนคขมมะอบรมปัญญาอนภาคเพียรด้วยวิริยะอดทนด้วย ขันติดำรงมั่นอยู่ในสัจจะมีความมั่นคงในการสร้างบารมีแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ติดไม่คล้องและไม่พัวพันโดยประการทั้งปวงเนี่ย